บทที่สิบเก้าใช้หนี้สงเย็นวันโกนยายก็จัดเตรียมข้าวของตลอดจนภาพผ่อนท่อนสบายไว้เสร็จเรียบร้อยไม่ลืมที่จะสั่งหลานชายว่า ไอ้หนูไปขุดดินมาสามก้อนเตรียมเอาไว้วันนี้เอาสามก้อนเฉลยครับยายทุกทีเห็นเอาไปก้อนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นหาบดินไปวัดกันเลยมีบ้านเราบ้านเดียวนี่แหละผมหน้าอายเขาจะตายอยู่แล้วหลานชายทำกระเงา้ากระงอดก็เพราะบ้านอื่นเขาไม่ทำกันนะสิ ยายถึงต้องให้เองขุดมาสามก้อนแต่ถ้าผมเป็นยายนะผมจะเลิกหาบดินไปวัดในเมื่อบ้านอื่นเขาเลิกทำแบบนี้กันแล้วยายก็น่าจะเลิกบ้างคนเป็นหลานแนะนำยายไม่ชอบเอาอย่างใครถ้าสิ่งที่ยายทำนั้นดีแล้วก็ได้บุญถึงคนอื่นเขาไม่ทํายายก็จะทํา ยายถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเสียงข้างมากแล้วการหาบดินไปวัดมันถูกต้องยังไงละยายก็เป็นการใช้นี่สงไงละ่ะเราไปวัดเหยียบดินติดเท้ามาเป็นบาปจึงต้องใช้นี่สงการเป็นนี่สงก็เป็นบาปเป็นกรรมนะยายอธิบายบาปยังไงเหยียบแค่นิดเดียว หลานชายคงเถียงแต่หลายครั้งหลายหนเข้ามันก็ทำให้มากและใช่ว่าจะมีแต่เราไปวัดเมื่อไรคนอื่นๆเขาก็ไปกันต่้งเยอะต่างแยะก็พากันไปเหยียบดินติดเท้ากลับมาบ้านดินวัดก็พร่องก็ให้พระถมเอาเองสิท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำงานอะไรกินแล้วก็นอนคนเกลียดพระว่า ไอ้หนูเอ็งหาเรื่องให้บาปกินหัวอีกแล้วเรื่องอะไรไปว่าพระสงฆ์องค์เจ้ายายปรามก็หรือไม่จริงละยายพวกพระเนี่ยเอาเปรียบชาวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้แกะยายห้ามเสียงดุนานทีปีหนหลอกที่ยายจะเปลี่ยนจากไอ้หนูมาเป็นไอ้แกะหนุ่มน้อยจึงต้องหยุด ทั้งที่ยังคันปากลองยายเรียกอย่างนี้ก็แปลว่าเหลืออดเหลือทนจริงๆเขาไม่ต้องการมีเรื่องกับยายวันโกนวันพระยายไม่ควรจะมีโมโหลงไปขุดดินมาได้แล้วยายเตือนซ้ำคนที่เคยไว้ผมแกรจึงทําตามโดยการลงเรือนไปหาเสียมาขุดดินเตรียมเอาไว้ เมื่อถึงเวลานอนยายสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเช่นเคยและหลานชายก็มานวดให้ตามปกติต่างคนต่างไม่พูดเพราะยังตึงๆกันอยู่แต่แล้วในที่สุดยายก็ปรารพบขึ้นว่าไอ้หนูเอ้ยหมูนี่โจรผู้ร้ายชุกชุมเขาปล้นกันที่ตำบลบางปทุนน่น ตีชิงวิ่งราวกันไม่เว้นแต่ละวันเขามยวัวควายกันก็มากเราจะเอาเงินทองไปซ่อนไว้ที่ไหนดีไม่รู้สิยายผมไม่มีเงินไม่มีทองจะซ่อนหลานชายพูดแบบงอนๆแต่ยายมีถึงเองจะไม่มีแต่ของยายมียายเน้นตรงคำว่ามีออกนึกมันไส้ ที่หลานชายทำเป็นไม่รู้มีก็เรื่องของยายไม่ใช่เรื่องของผมหนุ่มน้อยอยากจะให้ยายพูดว่าของยายก็เหมือนของเองเพราะยายเก็บไว้ให้เองหากยายก็ไม่พูดเขาอยากได้สมบัติของยายแต่ก็นั่นแหละยายมีลูกถึงเจ็ดคนพวกป้าๆลุงๆหรือจะยอมให้เขาครอบครองแต่เพียงผู้เดียว เรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครพี่น้องครานตามกันมาก็ยังฆ่ากันตายเพราะแย่งสมบัติกันในเมื่อเองคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วยายจะได้ขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ให้ใครเพราะไม่มีคนอยากได้ถึงมีคนอยากได้ยายก็ไม่ยอมให้รบผมรู้ว่ายายนะ่ะหวงสมบัติยิ่งกว่าอะไร ยายไม่หวงหรอกไอ้หนูไม่หวงและไม่หวงไม่หวงแล้วถามผมทำไมว่าจะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนดีคนไม่หวงไม่หวงสมบัติเขาไม่คิดจะเอามันไปซ่อนหรอกยายโจนมันจะเอาก็ให้มันเอาไปจริงไหมละ่ะคนเป็นหลานยังคงประชดประชันที่เอ็งพูดนั่นนะ่ะ เพราะยังไม่เข้าใจที่ยายพูดนะไอ้หนูไม่เข้าใจมากๆเสียด้วยยายพูดอย่างรู้สึกอ่อนใจแต่เอาเถอะยายจะพยายามอธิบายให้เองฟังถ้าเองพอที่จะมีสติปัญญาอยู่บ้างก็คงจะเข้าใจคืออย่างนี้นะที่ว่าไม่หวงไม่หวงสมบัตินั้น หมายความว่ายายจะไม่เอาจิตไปผูกพันไว้กับมันเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องตายไปเป็นเปรตหรือไม่ก็เป็นจิ้งจกตุกแกคอยเฝ้าสมบัติยายไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้โจรผู้ร้ายมันเอาไปเพราะคนพวกนั้นมันเป็นคนทุศีลถ้ามันเอาของยายไปใช้จ่าย ยายก็ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรจึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเอาไปทําบุญแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ยายแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาไปเล่นไปกินซะหมดมันก็เป็นเรื่องของเขายายให้เขาแล้วก็แล้วไม่ติดใจจะเอาคืนไม่ว่าเขาจะเอาไปทําอะไร แต่ลูกหลานยายมีตั้งเยอะจะพอแจกกันหรอครับคราวนี้คนถามอารมณ์ดีขึ้นโดยคิดว่าถึงอย่างไรก็ต้องได้รับส่วนแบ่งเพราะตัวเขาเป็นทั้งลูกและหลานของยายยายไม่เห็นหมดทุกคนหรอกพูดก็พูดเอนะสมบัติที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเอง ส่วนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของยายนั้นก็แบ่งให้ลูกๆเข้าไปแล้วตอนที่พวกเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ก็มีฐานะดีกันทุกคนยายจึงคิดว่าไม่แบ่งให้เขาอีกคำพูดของยายทำให้คนที่กำลังทำหน้าที่นวดใจพองคับอกงั้นก็แปลว่าที่เหลือทั้งหมดนี้เป็นของผมคนเดียวมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็เลี้ยงเองอย่างลูกเพราะฉะนั้นเองก็ต้องได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนแบ่งแต่ก็อยากจะขอร้องอะไรเองสักอย่างจะรับปากกับยายได้ไหมยายจะขอร้องอะไรผมครับจะขอแบ่งให้นางเหรียญมันบ้างยายพูดแบบเกรงใจให้ป้าเหรียญไปทาไมครับยายก็รู้ว่าป้าเหรียญ น, น่ะ แกไม่ใช่คนดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำออกอย่างนั้นอีกอย่างหนึง่งยายก็แบ่งให้แกไปแล้วตอนออกเกลือนก็เพราะมันไม่ดีนะสิยายถึงต้องห่วงมันลูกทั้งท้องยายห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละส่วนคนดีๆยายก็หมดห่วงเรื่องอะไรยายต้องไปห่วงคนไม่ดีละ่ะถ้าผมเป็นยาย ผมจะตัดขาดจากป้าเหรียญเลยเลือดก้อนหนึ่งนึกว่ายโยนให้หมามันกินยายตัดป้าเหรียญทนะครับหนุ่มน้อยแนะนำหากยายทำตามย่อมหมายความว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติให้ใคร ยายรู้นะว่าเอ็งพูดอย่างนี้เพราะความงกอย่าโลกโมโทสันไปนักเลยหลานเอ้ยเงินทองของนอกกายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็แต่บุญกับบาปเท่านั้นเกิดเป็นคนควรจะสะสมความดีไม่ใช่ไปสะสมของนอกกายยายที่ยายพูดมานั้นนะผมเห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรอกนะ จริงอยู่คนเราตายเอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่สิครับเราต้องกินต้องใช้ถ้าไม่สะสมเอาไว้แล้วจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ฟังเหตุผลของหลานแล้วยายก็เถียงไม่ออกจึงไม่เถียงตกลงยายจะฝังสมบัติไว้ที่ถุนบ้านพรุ่งนี้หลังจากยายกลับจากวัด เราไปช่วยกันขุดหลุมเข่าสองหลุมพอค่ำๆกะว่าคนเข้าเข้าบ้านเข่าเรือนกันแล้วเราค่อยเอาลมไปฝังผมว่าเอาไปฝังตอนดึกๆ ด, ดีกว่ารอให้ชาวบ้านเขาหลับนอนกันแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเราไปทําอะไรใต้ถุนบ้านเออก็เข่าทีดีเหมือนกันเป็นอันว่าเราจะฝังไว้ใต้ถุนบ้าน พรุ่งนี้เช้าเองช่วยไปซื้อไหยขนาดใหญ่มาสองลูกยายจะเอาใส่เงินลูกหนึ่งเอาใส่ทองลูกหนึ่งหนุ่มน้อยทำตาลุกเมื่อได้ยินยายพูดยายมีเป็นไห้ๆโชระครับอาจจะเกินด้วยซ้ำแต่เอาเถอะฝังไว้สองไหก็พอที่เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านตามเดิมเกิดขโมยขจรมาปร้นจะได้แบ่งๆให้มันไปบ้าง โอ้โหใจดีขนาดนั้นเจ้าหรือยายไม่ใช่ใจดีหรอกไอ้หนูยายรักษาศักดิ์สิต่างหากยายพูดมีเลสนผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรไปเลยเราก็เสียศักดิ์ศรีเพราะโจรมันก็จะเอาไปพูดได้ว่าบ้านยายจางไม่มีสมบัติอะไรเลย เสียแรงมาปล้นใช่จะรักศักดิ์ีแต่ยายเมื่อไรหลานชายก็เช่นกันเขาก็เลยรีบสนับสนุนว่าจริงของยายแหมผมชัดอยากเป็นโจรซะแล้วเิจะได้ปล้นบ้านยายจางเป็นรายแรกไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นหรอกหลานเอ้ยถึงไม่ปล้นสมบัติเหล่านี้มันก็ตกเป็นของเองอยู่แล้ว ยายพูดอย่างนึกมันไส่คนที่เป็นหลานแต่ผมไม่อยากแบ่งให้ป้าเหรียญนินาหนุ่มน้อยเผลอบอกความในใจไอ้หนูยายเสียใจเหลือเกินเสียใจที่มีหลานจิตอกุศลคับแคบเห็นแก่ตัวอย่างเองนางเหรียญมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองเป็นลูกของยายทำไมเองไปอิจฉามัน เพราะเรื่องทรัพสมบัติแค่นี้ยายรู้นะว่าเองจงเกลียดจงชังมันเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนไม่ดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำพูดเสียงห้วนห้วนให้เองจะเกลียดมันโดยเหตุผลที่ว่ามันเป็นคนไม่ดีเองก็ต้องเกลียดตัวเองด้วยจริงไหมไม่จริงหรอกยายเรื่องอะไรผมจะต้องไปเกลียดตัวเองอ้าว ถ้าเองเกลียดคนไม่ดีก็แปลว่าเองเกลียดตัวเองหรือเองจะเถียงว่าเองเป็นคนดีแต่ผมไม่เคยกินเหล้าผมไม่เคยเมาหัวราน้าอย่างป้าเหรียญคราวนี้หลานชายเถียงเสียงอ่อยแต่นั่งเหรียญมันก็ไม่ได้ไปยิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กมันเองอย่านึกนะ ว่ายายไม่รู้เองไปทำอะไรมาบ้างต่เจ็คบกอกก์แกเพิ่งมาฟ้องยายว่าเองชอบแกล้งแกขโมยหมูของแกเป็นกิโลกิโลคราวนี้คนฟังทำตาปริบๆนึกถึงเพลงที่ก็แต่งล้อเลียนแกเจ็คบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายแจ็คบกแต่แกก็ไม่ว่าอะไร ยายยายหลับเธอผมชักง่วงแล้วยิ่งพูดยิ่งเสียเปรียบจึงบอกให้ยายรีบๆหลับเสียง่วงก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปวัดกันยายบอกหลานชายกราบคนเป็นยายสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปเมื่อถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ ยังไม่มีอะไรที่จะให้พระท่านช่วยฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสวดมนต์เขาคิดเข้าข้างตัวเองประมาณสองยามทั้งยายและหลานต่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนโวกเวกอยู่หน้าบ้าน แข่งกับเสียงเห่ากันโชคของนางดางกับนางดำคนเป็นหลานนอนเงี่ยหูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนเป็นยายลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปในห้องหลานกาะซิบถามว่าไอ้หนูเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหมใกล้ๆมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านผมกําลังฟังอยู่เนี่ยว่าเป็นเสียงใครทําไมมาเรียกข่ามืดติดเดินอย่างนี้ ยายว่าผมออกไปตะโกนถามเขาที่นอกชานดีไหมยายไม่ดีไอ้หนูอย่าไปเป็นอันขาดเกิดเสือสางมันตั้งใจมาปร้นเองออกไปยืนอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นเป้ากระสุนให้มันจำไว้เถี่ยนาหลานใครมาเรียกกลางค่ากลางคืนอย่าออกไปให้เขาเห็นตัวยายบอกกลยุทธ์แม้จะไม่เคยออกสึก หากยายก็รู้ทีหนีทีไล่และจะทำยังไงละยายถึงจะรู้ว่าใครมาหามาทำไมหลานชายถามก็แอ บ, บดูสิแอบบดูแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าเสียงมาจากทางไหนลุกขึ้นแล้วก็ไปแอ บ, บดูตรงฝาบ้านที่ติด ก, กับชานเรือนดูว่าใครมาเรียกยายกับหลานพากันย่องไปยังที่หมาย ตรงฝามีรูเล็กๆที่เป็นตาไม้อยู่รูยายจึงบอกให้หลานแอบดูตรงนั้นแสงนวลของพระจันทร์วันขึ้นสิบสี่ค่ำทำให้หนุ่มน้อยมองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึง่งยืนเรียกอยู่หน้าประตูรัว้วคนหนึ่งถือคบใต้สองทางด้วยแสงจากดวงจันทร์คงไม่สว่างพอป้าจางครับตื่นหรื อ, อยัง ผมผู้ใหญ่ปโปรงมาเรียกคนถือคบใต้ตะโกนหนุ่มน้อยจำได้แม่นด้วยแสงจันทร์และแสงใต้ทำให้เห็นหน้าบรุษนั้นชัดเจนยายผู้ใหญ่ปโปรงนะ่ะถ้าทางมีธุระสำคัญเขาพากันมาตั้งห้าหกคนแนะ่เองเห็นชัดหรือใช่ผู้ใหญ่ปโปรงแน่นะยายยังไม่ไว้วางใจ แน่สิยายไม่เชื่อยายลองแอ บ, บดูตรงรูเนี่ยดูสิครับเขาขยับออกมาเพื่อให้ยายแอ บ, บดูบ้างไม่ต้องรอกหูตาฝ่าฟางอย่างนี้ถึงดูไปก็เห็นไม่ชัดเอาเถอะเมื่อเองแน่ใจว่าใช่ก็คงใช่ไปรีบจุดตะเกียงเข้ายายจะออกไปถามเขาว่ามีธุระอะไร ว่าแล้วยายก็เปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานพรางตะโกนถามผู้ใหญ่หรือมีธุระอะไรค่ำค่มืดมืดละ่ะรอเดี๋ยวนะจะให้หลานไปเปิดประตูให้ไม่ต้องก็ได้ป้าผมจะมาขอแรงเจ้าแกรให้มันไปช่วยตามควายหน่อยไอ้ค้ำกับไอ้คูนควายตะดวงถูกขโมยมันลักเอาไป เสียงผู้ใหญ่โปร่งตะโกนตอบมาอย่างงั้นหรอกหรือข้าจะให้เข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพอดีกับหลานชายถือตะเกียงเดินเข้ามายายจึงบอกว่าเองรีบไปใส่เสื้อใส่แสงให้เรียบร้อยและไปช่วยเขาตามควายหน่อยผู้ใหญ่โปร่งบอกว่าควายตาด้วงถูกขโมยลักไปไอ้คัมกับไอ้คูน้าหรือยายแล้วจะได้คืนไหมเนี่ย นมน้อยรู้สึกวิตกแทนเจ้าของควายจะว่าไปแล้วเขาก็คุ้นเคยกับไอค้ำกับไอคูณเป็นอย่างดีโดยเคยขี่มาเล่นบ่อยๆในความคิดของเขาไอค้ำกับไอคูณเป็นควายหน่มที่หล่อที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่หากมีการประกวดประขันควายเขาจะบอกให้ตาดวงส่งเจ้าสองตัวนี้เข้าประกวด พวกคนเฒ่าคนแก่ก็พูดกันว่าควายสองตัวนี้มีลักษณะต้องตามตำราทุก ป, ประการหากไม่ได้มันคืนมาคงเสียดายกันไปทั้งตำบลแต่งตัวเสร็จหนุ่มน้อยก็ออกไปสมทบกับกลุ่มที่มารอยอยู่หน้าประตูรั้วบ้าน จะไปทางไหนกันดีครับเขาถามผู้ใหญ่โปรงก็แยกย้ายกันไปตามทั้งสี่ทิศนั่นแหละก่อนมาตามเองข้าส่งไปทิศเหนือกับทิศตะวันตกแล้วที่เหลือได้แยกกันไปทิศใต้กับทิศตะวันออกทิศละห้าคนยังขาดอีกสองคนประเดี๋ยวจะไปขอแรงบ้านอื่นต่อไปกันเถอะ และคนทั้งแปดจึงพากันเดินต่อไปแต่และคนถืออาวุธประจำตัวเช่นปืนดาบหอกและบางคนก็ถือไม้คมแฝกคนชื่อเจริญเท่านั้นที่เดินตัวเปล่าเพราะไม่มีอะไรจะถือเหมือนคนอื่นๆเขาหลานชายไปแล้วยายจึงเข้าบ้านจัดการปิดเรือนลงสลักประตูอย่างเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงเข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนายายสวดบทชัยมงคลคาถาหรือที่เรียกว่าคาถาชนะมารอันประกอบด้วยคาถาแปดบทซึ่งพนานาถึงพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงชนะฝ่ายอาธรรมทั้งหลายที่พากันมาผจนคนโบราณเชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวดคาถาชนะมารทุกวัน เขาจะสามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงได้สวดมนต์เสร็จยายแผ่เมตตาให้ตัดดวงขอให้แก่ได้ควายคืนและจึงแผ่เมตตาให้ไอค้ำกับไอคูนให้มันได้กลับมาอยู่กับเจ้าของของมัน มิฉะนั้นมันจะถูกนำไปขายโรงฆ่าสัตว์และต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับวัวควายทั้งหลายจากนั้นยายก็เข้าห้องไปนอนและหลับอย่างง่ายดายโดยเอวะคาถาชนะมารที่ยายสวยดจะมีอนุภาพทำให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งเจ้าค้ำกับเจ้าคูนด้วยเวลาตีสี่ยายลุกขึ้นหุงข้าว หลานชายก็กลับมาพอดีได้ไหมไอ้หนูยายถามทั้งที่ไม่แน่ใจว่าต้องได้ได้แต่ควายขโมยไม่ได้หอบยายมันหนีไปซิก่อนผมเลยไม่ได้ออกกำลังเสียดายไม่งั้นจะซ้อมให้นอนหยอดน้ำข้าต้มเลยเชียจะซ้อมเขาหรือถูกเขาซ้อมก็ไม่รู้พร้อมๆอย่างเงี้ย ยังจะมาคุยยายพูดขัดคอผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแมงวงจังเลยยายผมของยิบหน่อยนะครับหกโมงยายช่วยปลูกด้วยหนุ่มน้อยขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันยายตอบวันพระที่ไม่มีเทศมหาชาติยายจะออกจากบ้านหกโมงเสร็จ ยกเว้นวันที่มีเทศมหาชาติจึงจะออกตั้งแต่ตีสีก่กว่าๆเพื่อจะไปให้ทันฟังพระสวดคาถาพัาน